อ่ะเดี๋ยวบาอากาศชนิดมนป็สบยัยเราต้อง ร, ระวังรักษาธาขังหมันคงที่ห้ันปกติมันไม่ไปเยี่ยมศพของป่าไรพันพันนึ่ง จากไปแล้วเก็บจิตใจทั้งดีเตรียมข้างก่อนแล้วเตรียมก็เตรียมใจมานานเรียกวเตรียมตัวเตรียมใจมานานจึงได้เข้าถร้าง อะไรก็ตามเป็นการศึกษาสําหรับพวกเราสลาฟน้อตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วเด็กจากต่างประเทศที่ผ่านมามาเยี่ยมเราทุกคนผ่านมันมาบอกพวกเรา ให้เรียบให้เร่งอย่าประมาทเพราะว่าถ้าตุาธาตนะุขันธ์อวัยะนาหลังนี้มันใช้ไม่ได้แล้วลำบากธาตุทั้งหมดก็คือธาตุทั้งสีงคือดินน้ำไฟลมธาตุนึกไม่ออกนึกถึงขื่น ว่ามันพลังมากมายขนาดไหนมีประโยชน์มากมายขนาดไหนเคยนั้นมันครบทุกอย่างดึงน้ําไฟหลอมแต่ไม่มีวิญญาณครองทนนให้นี้ารแบ่งกำลองอันเห็ชัดเจนเราคนมนุษย์ธาตทั้งสี่ ไม่สามารถที่เอาแค่ลมไปก่อนหมดเลยตีนน้ำไฟที่มีอยู่หมอดหมดดับหมดใช้ไม่ได้สักอย่างมัลมออกจากร่างกายเสร็จแล้วไม่มีอะไรเดียวเลยอันนี้คือธาขันธ์ที่คลามรู้คืรรร อ, อรูปเวทนาสัญญาลาการ์วินยารูปก็ะเลือกรูป เป็นรูปเป็นราส่วนอีก4ีตัวไปอยู่ไม่ได้โมรูนี่ไม่มีที่อยู่มันก็ไปนะมันธาตุขันธ์อายตนะที่มันเชื่อมต่อติดต่อโลกภายนอกที่มันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สบายไม่สบายมันหลงละเริยมือยังลมลมหายใจคองอยู่มันส่งไปทางตาทางหูทาจงจมูกเลื่อกาย ทำให้เพเลิดเพลินในธรรมอารมณ์ก็หมดไปนะเห็นไหนมธาตุขันธ์อตนะทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันมีวความหมายแล้วหมดสภาพจริงจริวัดพระท่านเวลาไปพิจรารณาเรื่ราาองพริจารณาบรงสุคุณดังบอกวอนิจจาวตฏสงขา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมอุัตวายธรรมโ น, โนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวาญรชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปไปนธรรมดาเตสังบุปสโมสุ ข, ขความเข้าไปสขขงบระงับแใงสังขารเหล่นั้นเป็นความสุขเห็นไหม เขาไปสรามบับแล้วหมดแล้วดับแล้วครบแล้วเกิดแล้วดับแล้วสังขารใช้ไม่ได้เลยแต่สังขารในความนึกคิดปรุงแต่งของจิตเราเนะี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรากลับไม่กลัวเราไปกลัวว่าเมื่อสังขารคือรูปร่างกายอันนี้มันดับพูดงายคุณตาย เราไปกลัวผีไปกลัววิญญาณกลัวอะไรก็ไม่รู้มันผีเสียงดังไหมไปกลัวคนตายทั้งๆที่ก่อนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่ลุงป้าน้าอาเราไม่เห็นกลัวเลยพอหมดลมหายใจรู้สึกว่ากลัวมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดจะเด็กแปลกมากๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ ในขณะที่ผีมันเข้าสิงเปิดมันเข้าสิงในรูปร่างกายของเรามันไม่ปกติประกับไม่ปลัวมันมันต้องระวังเพื่อคนเราใจเราเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกขณะถ้าเราไม่ระวังในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นช่องทางที่มันเข้าม า, อาเอาประตูเป็นหน้าตา่างเป็นช่อง ที่าาภายในหัวใจของเราคือตาหูจมูกคือตูดเชื่อมธรรมดวายกันตนะแต่ป็นเชื่อมต่อกับโลกภายนอกกับโลกภายในนี่เราก็ไม่ค่อยระวงังเรากลับไประวังใครก็ไม่รู้ระวังคนข้างนอกไประวงังไประวงัไวงไปเอาใจใส่กับคนเหล่านั้นซึ่งใครก็ไม่รู้ตกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเห็นจรงตั้งบอกกิเลสตกกิเลสบ้างไม่ตกกิเลสบ้าง เราก็ไปเอาคือให้น้ำหนักกับคนภายนอกสิ่งภายนอกมากกว่าภายในโดยเพราะยี่ยี่ตัวเราน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นตัวเราเองคำว่าไม่เห็นนั้นมนไม่รู้จักตัวเราเองดีพอ คนอื่นรู้หมดสูงต่ำดำขาวคนนั้นดีคนนั้นเปนี่คนนั้นแย่คนนี้ใสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้หมดแต่ตัวเองไม่รู้รู้จากคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมากกว่าคุณแต่ถ้ารู้จากตัวเราเองพิจารณาตัวเองดูธาตุคันเอตนาของตัว เ, เองมันจะมีคุณอย่างเดียวไม่มีโทษ จะเป็นคุณกับตัวเราเองแต่พวกเรากลับไม่ค่อยดูไปดูอะไรก็ไม่รู้แล้วจะเป็นโทษอะไรกายเนี่เป็นเรื่องของโลกเรื่องของโลกกแปลว่าตายไปแล้วก็โลกจัด ก, การถ้าไม่จัด ก, การกมันก็เน่าเหม็นผุพังไปตัด ก, กาลางไรล่าสุดใจมันไม่เน่าเหม็นมันไม่ตายมันไปไหน นี่นคือโลกคือกายส่วนใจก็คือธรรมแต่ถ้าใจไม่มีธรรมจะไปไหนถ้าใจไม่รู้จักธรรมจะไปไหนธรรมคือธรรมาชาติเกิดเองเป็นเองอเอ ง, อเองใจไม่มีธรรมแล้วจะไปยังไม ง, ม, งมันก็ลำบากเมื่อก่อนใจมาอาศัยกายอยู่มันไม่ลําบากมันเป็นที่อยู่ของร่างกายเป็นที่อยู่ของใจเหมือนกับบ้าน เมื่อเขาไลออกจากบ้านแล้วเขาเผาบ้านทิ้งแล้วสมมุติถตอนนี้เออกจากบ้านกลับไปสมมุติโดนไฟไหม้หมดเลยจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตะเป็ดสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เราจะเอกอะไรสร้างทามีทุนมันมีรอนถ้ามีปัจจัยเงินทองจะเอาอะไรไปสร้างไม่มีเลย หรือแต่ตัวเปล่าก็จะเริ่มต้นใหม่อีกเมื่อไหรจะได้บ้านทั้งหังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเจ้าทำนะเพราะฉะนั้นเรากำลังสร้างบ้านกับตัวเองสร้างบ้านใหม่ร่างกายอะไรท่านบอกมันห ล, ลุมเราก็หมดจริงๆเลยไม่มีอะไรเลยเมื่อคนนอนหลับมันเอาลากลับไปบ้านแช่ปะเดี๋ยก็หลับไปละ โอ้ตาไม่ทํางานนะปากไม่ทํางานนะมันก็ไม่ต่างอะไรคนตายเปี่ยแต่มีญาณคองร่างอยู่เพอถึงเวลามันก็เตือนขึ้นมามารู้ไม่เห็นท่านเองแต่ถ้ามันไม่กลับมาอีกมันก็ไม่ต่างอะไรคนตายจริงๆเราตายทุกวันตายทุกคืนแต่ตายแล้วฟื้นท่านเ อ, องจะส่วนคนที่ตายมันลงหายใจมันตายแล้วมันไม่ฟื้น ที่เราฟื้นอยู่ก็เพราะว่ามีลมหายใจเพราะของร่างนั้นอยู่ลมบป็นตัวแสงเพราะฉะนั้นลมจึงสำคัญที่สุดในรูปร่งกายเราดื่มน้ำไฟแต่มันก็ไปโดยธทํางานมาันแต่ลมเน้นไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยดื่มน้ำไฟไม่ดื่มน้ำมันก็จะได้ อาหารไม่กินกับเขาอได้มันไม่อุอ่นร่างกายหนาวๆเาไม่อยู่ได้แต่ไม่มีลมเนีไปเลยเพราะนั้นผู้ทธจะาก็อาศัยหลักการอันนี้พูทธเจ้าฉลาดที่สุดไม่ใช่แบบคนธรรมดาเราคิดว่านาวมีศาสตร์ฉลาดพูทจะเอา น, นั่นนี้มาใช้คิดได้ออกยิ่งางเกินสร้างเกินคิดวฉลาดแต่ไม่ใช่ พุทธเจ้าของเราทําคนโง่ให้เป็นคนฉลาดไม่ใช่ธรรมดาแต่นคนธรรมดาให้เป็นอริยะจากธรรมดาเป็นพว้ทุกชนเไม่เป็นผู้หนาด้วยกิเลสนามานะิตถิจนกลายเป็นอริยะทุกคนผู้คนผู้ประเสริฐไม่ใช่ธรรมดาพุทธังหน่อยเป็นผู้จเจ่ิมจริงๆหลักคําสอนของเราถ้า ไดยอ่านและศึกษาจริงๆมันเป็นธรรมชาติไม่ได้บังคับให้เชื่อให้ถือให้แบกขึ้นหามให้เราเข้าใจสอนให้ปล่อยวางได้ตามไปไม่ได้ให้ยึดให้ถือในสิ่งนั้นสอนให้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางในสิ่งนั้นมื่อเช้าเราพูดถึงคำสองคำก็คือแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ละทอนปล่อยวาง ถ้ า, ามนุษย์รับเข้าใจในหลักการง่ายๆอย่างนี้อะไรที่ต้องแก้ไขมันแก้ไขตัวเรามันแก้ไขคนอื่นแก้ไขตาตาอีแก้ไขตาหูไม่ดีแก้ไขหูปากไม่ดีแก้ไ ข, าไไขปา ก, ก, ปากอันนี้ปรับปรงุงพัฒนามันดีขึ้นตัวั้นไม่ดีกาแก้ไขเพิ่มอันไหนที่มันดีเพิ่มเติมแต่แบบเพิ่มอย่าไปเพิ่มของอะไรมันไม่ดีของอะไรมันสุขปรกโสมมของอะไรเป็นเชื้อโรค อย่ามาเข้าสู่ร่างกายมันเป็นประโยชน์สุดท้ายก็คือให้รู้จักเลือกอันไหนควรจับอันไหนควรปล่อยแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งปวงคือไม่เหลืออะไรเลยคือปล่อยปล่อยหมดแม้แต่ธาตุขันธ์อยธายตนะที่มีอยู่ก็ปล่อยหมดเลยอยู่ธรรมชาติครับเราไม่ปล่อยเขาก็ปล่อยเราโดยธรรมชาติ โดยธรรมะเมื่อปราศจากลมหายใจแล้วนะมันลมหายใจถึงเป็นเรื่องมหาสัรย์มากๆลมหายใจไม่เคยพูดอยู่เสมอลมหายใจพุทโธสติสามอย่างนี่สำคัญถ้าเราทําอย่างต่อนเนื่องทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงสามตัวดูลมหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวสะดวกสบายว่าไง เพราะนึกคำบริการโดยเอาพุทโถเข้าไปสายเข้าไปกำกับด้วนมันแน่นมากขึ้นแล้วกำกับดูแลจะให้เปลือยจะให้พังอยู่อย่างนั้นมันจะมหัาดสร จ, จ์ลมเข้าไปถึงไหนมันจะรู้หมดเลยลมมันประสานร่างกายแล้วมันสามารถที่จะบำบัดรักษาโรคไครแคเจ็บถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสมันรักษาได้ทําให้กายเบา แายเราเนี่ยบางตร ง, ข, งข้ามถ้าลมถ้าเราไม่กําหนดเนี่ยหรือไม่มีลมเลยเนี่ยหนักลุกยางคนตาก่อนตายอาจจะห้าสิบหกสิบกิโลพตายไปปั๊บนี่สองคนยังหาไม่ขึ้นเนะห็นมั้มันหนักแต่อยู่กับเราเราไม่รู้ว่ามันหนักไม่รู้เป็นภาระเราจึงไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมีแต่เพิ่มเพิ่มภาระ ไม่มีลดพาละเพิ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดการกระทําหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่มีอะไรเลยที่มันทํามันลดน้อยถอยลงความคิดทำมันน้อยลงพูดนลงการกระทํามันลดอันตรายไม่ดีมันมันเรื่องที่มันลบไม่มีตรงกระข้ามขาอที่ขอที่จะเพิ่มขึ้นเรากลับไม่หำอนเพิ่มกลับคิดดีด คำพูดดีๆการกระทําดีให้เลยตระหนระวังตั้งปัจจัยหลักการและวิธีการนี้เอาไปใช้เมื่อไม่สบายใจให้รู้เถิดว่านั่นแปลว่าเรากระมั่วรู้ชั่กิดจาอะไรก็เกิดจากความคิดของเราเองเกิดจะะากจคาพูดเกิดจากการทําเป็นผลงานของตัวเราเอง เราสร้างโรคขึ้นมาเองกุมใจไม่สบายใจห ล, ยหลายเรื่องโดยที่ไม่ถามหาต้นตอคืออะไรเราไปเอาที่ปลายเอาที่เหตุถ้าเป็นผลไมเ้เปรีย้ย่ต้องหมว่าเอาที่ผลไม่ได้เอาที่ต้นคือเหตุขอมันมะม่งล้นใจญ่เลี้นจีก็บ่ากันไปนั่นคือผลมันไม่ใช่ต้นมันไม่ใช่เขา ไม่ใช่โมนราโมนรามันมีเ้นไมามีโมลมีราราเงาราคอยราแขนงมันอยู่ได้ถ้าไม่งั้นผลมันออกมาเป็นผลไม่ได้แต่เราไปดูชื่นชมที่เป็นผลงานออกมาแล้วอโดยที่ไปดูถึงต้นตอของมันเพราะฉะนั้นโอคนาจิโกน้อมก็หาตัวเองถึงเหตุผลต้นตอที่แท้จริงของมันคืออะไรก็รจะรู้จัก ตนตอของมันแล้วสามารถจะถอนรากถอนโคนผลมันไม่ต้องไปพูดถึงเมื่อถอนรากถอนโคนเสร็จแล้วมันจบตัวของมันเองแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่เคยขุดรากถอนโคนมาเลยมีแต่ไปส่งเสริมบำรุงเพิ่มเติมเอาหนักเข้าไปอีกไม่เคยรัดไม่เคยเว้นไม่เคยปล่อยไม่เคยวาโดยเฉพาะอันนี้คืออารมณ์อารมณ์มาจากไหนาเราสร้างขึ้นมาเอง เรามาทางไหนมันเข้าตาังตาหูจะบกพร่องกายช่องทางมันเข้ามาอารมณ์ดีเราก็ไปไปเราต้องต้องรับเอาไว้อารมณ์ไม่ดีเราก็ปล่อยมันเข้ามาได้ไม่สกัดไม่กั้นไม่ปิดไม่บังเลยเหมือนประตูหน้าตา่างถ้าเราไม่ปิดเลยลมกระโชกแรงๆที่ฝุ่นสารพัดใบไม้ที่มันเข้าสู่บ้านเราเหมือนกันรูปร่างกายของเราอะไรก็เหมือนกันเราไม่เคยสกัดกั้นเลย เคยเปลี่ยนกั้นเสิ่ไร ม, มันก็ไหลก็หาตัวเราแล้วใครเดือด้อนก็ตู้เราเราคืออะไรสังขารร่างกายเดือดร้อนผมเห็นหมั้ยจริงๆนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยร่างกายคือกายคนก็คือคนใจคือใจแต่เราแยกมันไม่ออกเหมือนเป็นคนคนเดียวกันสุดท้ายก็ยึดเหมือนกับบ้านเราไปอยู่บ้านหลังไหนก็กลายเป็นเจ้าของบ้านใครมาอยู่ไม่ได้ กายนี่เหมือนกันจิตมันประิตเอาเมื่อไหร่มันก็เป็นของมันเราออกจากร่างไปแล้วจบเห็นไหมน่ความยึดความถือเรียกว่าโทษมหันของธาตุการอิตนะที่เราไม่รู้กราวิชาหลงในสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่หลงแค่วันสองวันปีสองปีร้อยปีมันไม่ใช่ มันไม่ได้หลงแค่นี้ถ้าเราหลงวันนี้เราไม่ยังไม่แก้ความหลงนี้มันก็จะติดตัวติดกายติดใจไปตลอดอีกกี่พ่กพิชิตไม่รู้แก่ไม่ได้ลำบากเพราะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้เด๋ยวนี้เวลานี้วันนี้มัาก็จะยิ่งลำบากเอาทุกอย่างที่ผ่านมาทางหูทางตาจมูกลียนยใจใจเป็นบทเรียนหอยแก้ห้อทดสอบ ค่อเป็นค่อยไปให้รู้ถึงความเป็นไปแยกให้ออกว่ากายก็คือกายใจยก็คือใจคนละเรื่องกันทุกของกายก็ทุกข้องกายทุกข้งใจก็ทุกของใจอย่าไปสับสนปนเปนเอกกันมิฉะั้นมันยุ่งไปหมดแยกไม่ออกตายมา้วรู้เออกายก็คืายใจก็อใจตอนนั้มีประโยชน์ละเห็นไปรู้บางายนอนแอ่งแมงอยื่ไม่ลืมตาไม่ได้ยินปากพูดไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เออรัวตาย คนรู้ว่าตายแล้วเองไม่ถามป่อเออตายแล้วไปไหนตายให้ต้องทำางานชีวิตหลังจากความตายเป็นอย่างไรมนุษย์ไม่ได้คิดต่อเลยเถึงเกิดเกลเจ็บตายแล้าก็จบละไม่ได้คิดต่อมีหนามซ้ายังเกิดความกลัวด้วยซ้ำไปว่าเป็นภัยหรือว่าเป็นความกลัวส่วนหนึ่งของชีวิตลำบากมั้ถ้าเกิดความกลัวแล้วไม่อยาก คือ <c ười> ไม่อยากตายกลัวตายเห็นหมั้ยมักเป็นบงังเป็นขนาดนั้นกลัวตายแต่ไม่กลัวเป็นเป็นเป็นอยู่แต่ไม่กลัวแต่ว่าตายแล้วกลัวเห็นมั้ยกลัวกลัวการดับแต่ไม่กลัวการเกิดทั้งที่การดับมาจากเกิดขอบตายก็มาจากความเป็นนี่แหละขอบตายก็าจากความเกิด น, นี่แหละ มันต่างใี่มีการเกิดอยู่แน่นอนเป็นการตายแน่นอนเป็นเรื่องปกติเป็นเรม่องใดอะไรทียังเปเกิดอยู่มันดับแน่นอนแต่ประเด็นคือมนุษย์เราสร้างได้แต่แก้ไม่ได้ดับไม่ได้เอาง่ายๆความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาได้สร้างความคิดขึ้นมาจะเห็นมลใหม่เสร็จแล้วแก้ความคิดตัวเองไม่ได้สร้างได้แต่ให้มันดับไม่ได้เห็นไหมลำบาก สุดท้ายกับฟงสร้างอะไรมันฟงก็ไม่ได้หาต้นตอฟงมาจากไหนมันสะสมมานานไม่ใช่กับวันนี้เดี๋ยวนี้เดือนนี้ปีนี้ไม่ใช่เลยทีนี้มันสะสมคุ้คุลกันมานานมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราเอาแค่สั้นๆเอาแค่ว่าเดืนปีเกิดชาตินี้เดี๋ยวนี้ปีนี้ชาตินี้ตั้งนั้นเราดังแค่ไม่ได้เคนหันยังไม่ต้องพูดถึงวัดหลังจากนี้อีกไปยยังไม่ตาอะไรพูดถึงอีกเลย เพรานั้นพวกเราทั้งหลยอย่าประมาทในวัยในชีวิตป้ายางยังมีเวลาอย่างเยอะเมื่อไหรเขาว่าเมื่อไร่ขาบางธรรมเเมืม่อไรเขาจะมีสินตอบนาประมาทไม่ประมาทตัวเองไม่ได้นะเมื่อไรไม่รู้คนที่นอนอยู่สลาฝั่งตอนนี้อายุอันนั้นก็ใหญ่มากห้าสิบห้าสิบสอง็ไหมเขาไปแล้วไม่ได้มากในชีวิตมนุษย์ ถามมาให้สองปีที่ผ่านมาที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ต้องถามว่ากําไรหรือขาดทุนชีวิตเราเดินหึงขนาดนี้ลองถามด้วยว่ากําไรหรือขาดทุนกําไรเพราะอะไรขาดทุนเพราะอะไรกําไรสุทธิหรือกำไรขาดทุนกําไรสุทธิมันน่าจะมีพอแค่น ท, ทุนเนี่ยก็ย่อยรับละ พอแค่ทุนคืนก็ไม่ได้นล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการลงทุนลงดอนนำมาค้าขายขาดทุนยักเยินพวกเราขาดทุนยัเยินถ้าเป็นการลงทุนลงดอนถ้าอารใช้ชีวิตคือการลงทุนลงทุนทุกอย่างตทดสอบทดลองอย่างนั่นอย่างน่นู่นเป็นการลงทุนทุกอย่างแล้วก็พลาดจากกันที่มันคาดหวังต้องวางเอาไว้ทุกอย่างนี่เรียกว่าขาดทุนของชีวิต ลำบากนะากาไรกาไรยังไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นทานศีลภาวนาะศินวิญญาเป็นกาไรของชีวิตกาไรของชีวิตก็คือต้นทุนคือบุญผู้สนนี้เองที่เป็นต้นทุนนอกจากนั้นไม่มีเลยได้เท่าไหร่ก็ทิ้งไว้บนโลกไปเป็นร้อยพันหมื่นแสนล้านก็ทิ้งมาเราไม่ทิ้งมันก็ทิงอัตโนมัติ รูปอลกเป็นสิ่งที่ได้จริงคือต้<ม>นทุนบุญกุศลคือนามธรรมเนี่ยถ้าละจิตเราไม่เป็นกุศลจิตเราไม่เป็นบุญมันก็ลำบากจิตมันก็มีอยู่แค่นี้นถ้ามันเป็นบุญมันก็เป็นบาปคิดคเหมือนกันถ้าคิดไม่คิดเรื่องบุญก็คเรื่องบาปแต่คิดจะเป็นกลางกลายากคนที่วิจารณ์นะครับบทนั้นต้องมีสมาธิต้องเข้มแขสมาธิ ต้อเป็นคนปฏิบัติเท่านั้นมีคิดกลางได้ธรรมชาติของมนุษย์และของคนไม่มีทางนะครับไม่เอื่นไปฝ่ายใดก็เป็นหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ให้ปฏิบัติตเพราะฉะนั้นปรุงทราบไว้เสมอว่าเมื่อใดก็ตามถ้าความคิดของเราจยงเอีงเองียงข้างใดก้อนหนึ่งข้าวข้างใดก้อนนึงเราไม่ใช่นักปฏิบัติทีเดีนักปฏิบัติทีเดีต้องอยู่ตรงกลางทำไม่เข้อข้างใคร เก็ข้างดีเราข้างชั่วคือทาใจเป็นกลางอยู่ตรงกลางนั่นเรื่องวิจัยจริงๆประเดจริงว่าเข้าถึงใจใจจริงๆมันโล่งเหมือนอยู่คนเดียวนีโลกนี้เหมือนไม่มนีอะไรตือธรรมชาติของมันอิสระไม่ได้ยุ่งยากมันเยอะที่มันยุ่งเน่อเพราะว่ามันโดนอะไรปิดบงังปิดกั้นสาลพัดหอห่มเอาไว้ ให้เข้ามาถึงใจคือใจดวงเดิตองนั้นแล้วเกิดจากสัญญาความจําได้หมายถึงตั้งแต่เราเคยมาหรือจำความได้สารพัดสัญญาดีสัญญาไม่ดีคือจําเรื่องดีจําเรื่องที่ไม่ดีสะสมเก็บหอมหอมลิบมาเรื่อยๆอยากเป็นของสะสมอยากเป็นนักสะสมสะสมอะไรสะสมความคิดของตัวเองสะสมไปสวัสดิ์ทิ้งไม่ได้ความคิดไม่ดีพอทิ้งไม่ได้ เก็บเอาไว้พอพิทีถ้ารู้ว่าดีก็ไปหาของมาใหม่ขึ้นมาถ้าเรารู้มันดีก็าหาเพิ่มเพิ่มเติมให้ดีขึ้นเมื่รู้ของไม่ดีพเก็ทิ้งเหมือนข้าวปลาอาหารอะไรจะางๆไม่ชอบอะไรแต่มันเหม็นอะไรที่มันพิษก็ยังคัดออกเลยไม่เนะว่าารอร์หอบกายแต่ใจเราไม่เลยเราเคยคัดของสิ่งเหล่านี้เลยมันเต็มด้วยความสุขบกโสนมจิตใจมันสุขบกนะ เหมือนนั้นลมหายใจกลับมาที่เดิมอีกครั้งสิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักใหม่เสมอคือถ้านึกลยไรกลมหายใจนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นส่วนลมหายใจเขาลึกๆหายใจค่อยออกสติมันจะวิ่งหาตัวเองหาสติเลยสูวหายใจก็ลึกๆไปบ่อยให้มันทั่วจากปลายจมกูกถึงสมองอวัยวะลงไปเรื่จนทะลุปุโปรม ขึ้นลงข้างล่างดอ้อนกลับมาข้างบนมันไล่ลมมันทั่วร่างกายคือไล่ของไม่ดีออกไล่ของไม่ดีก็แปลว่าความคิดที่มันดีลทมที้มันไม่ดีนั่นคืสู่ร่างกายถ้าเอาของดีเข้าไปของไม่ดีมันก็หายหรืออย่างน้อยมันก็เชือจางลงความรู้สึกเรื่คิดที่มันดีมันก็จางลงจางลงบางอย่างน้อยลงความดีก็เข้าอยู่แทนลมเสีย ถ้อยู่ร่างกายให้เราไม่เอาลมดีเข้าไปมันก็มีแต่ลมเสียแต่ถ้าอารมณ์ดีเข้าไปลมเสียมันก็ออกไปเหมือนกันความรู้สึกต้องคิดปรุงแต่งของเราเมื่อบะเออมันไม่ดีนะมันแย่เอาของที่ดีเอาของที่ดีเข้าไปเอาพุทโธทรโมสารโธยัดเข้าไปหายเข้าไปดูเข้าไปดมเข้าไปของดี่ดีก็จะไหลเข้ามาสู่ร่างกายของเราของไม่ดีมันก็จะ หมดไปหายไปจางไปใจเราอยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆตลอดเวลามันอยู่วิาีอยู่กับพุทโธตลอดเวลาคืออยู่กับของดีตลอดเวลาใจไม่ดีมันจะมาจากไหนมันก็ใจดีตลอดมันสุดใจไม่ดีแล้วเผลอเมื่อไหร่ใจไม่มีพุทโธเมื่อไหร่ของไม่ดีมันก็จะเข้ามาละเพราะมันคู่กันดีกับไม่ดีมันคู่กันมันเป็นเสี่ยวกันมาเลยเป็นสหายกันมาเราต้องระวังว่าในขณะนั้น มันในขณะดจิตใจเช่นเดียกันถ้าเรารู้เออมันไม่ดีก็ของดีเขามาใส่ของดีก็จะให้ไปหายไปอย่างเงี้ยนะอย่างเรียกว่าดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้มันสม่าเสมอให้เป็นปกตินิสัยมันเรารู้ว่าความโรคของป่วยขอหลงเกิดขึ้นอัแสดงของไมดีมันเข้ามาเลยนะคือของไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกายตัวจิตใจแล้วมันจะแย่นะ ถ้าปลให้มันไหลเข้ามาโดยไม่ปิดไม่กัน้นไม่อะไรเลยลําบากตัก้งคิดใหม่ทันใจใหม่ทันใจดีใหม่ใจมันก็จะดีพอที่มันดีมันก็จะหายไปหายไปเพิ่มเติมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลักกิจเบื้องต้นก็คือท่านบอกทานคือเสียสละเพื่อใหใจมันหนักให้จักกันให้แยกมิเตรับอย่างเดียวมนุษย์มันชอบแต่รับอย่างเดียวแล้วก็มีการให้จกจำได้ให้กับรับ มันคู่กันมีผู้ให้แต่ไม่มีผู้รับมันมีประโยชน์ถ้ว่ามีผู้รับาาก็จะว่าบรรดาของคู่กันถ้าสองคนตกลงต้งยืนคู่กันคนนึ่งผู้ให้จะยื่นให้ค น, หนึ่ผู้รับไปยื่นรับมันยื่นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคนหนึงยื่นให้คนหนึ่งยืนนนงย่นรับเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแคสอยู่คนเดียวจะให้อะไรให้ใครอันนีนการให้พอให้เสร็จแล้วมันก็จะเบา เหมือนให้ของที่มันหนักๆอยู่ตัวเราให้กระเป๋าอะไรให้คนอื่นถือต่อเราก็จะเบาใช่ไหมจิตมันก็จะเบาสอนมันอย่างนี้จิตมันก็จะเสียสละอันนี้แค่ของภายนอกแค่เป็นวัตถุส่วนของภายในถ้ารู้อยากสลับมันเออมันก็จะเบาเหมือนกันเบาเหมือนวัตถุสิ่งของนี่แหละถ้าไปสละออกสละบออกแก่มันก็จะเบาตรงกันข้ามคิดพูดตามอะไรไว้แกะแกะแกะแกะมันก็จะหนัก สุดท้ายมันทำลายเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือเราสร้างขึ้นมาเองแต่เราไม่อาใจใส่มันก็อยู่ได้หรือมันอยู่ของมันเราอยู่ของเราเราก็อยู่ตรงกลางดูเฉยๆของเราเนี่ยนั่นคือสมาธิอารมณ์ของสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสมาธิไม่มีทางที่จะปล่อยสิ่งเหล่านี้ได้โดยเฉพาะก็คือถ้ากำลังของสมาธิยังไม่เตียงบบไม่มีทางไม่มีทางจะละต้องปล่อยบางสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะว่าใจมันไม่มีกำลังมันไม่มีพลังใจทำอะไรไม่ได้เหมือนคนอ่อนเอรมีเหมือนกันถ้านีขนาณะมีเหมือนกันแต่มันอ่อนเอไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไี่มีลาลังวังฉาจะไปตามายกินะยกข้าวสิอ่อไม่ได้ทั้งสิ้นจิตหรือใจนั่ก็เหมือนกันแล้วแต่มาอ่อนเอต่ไม่ a, มีกำลังหรือพลังหรือว่าพลังจิต ไม่สามารถที่จะยกธาตุสีขัน้าคือรูปเวทนาสินตนาการเป็นอย่างรูปสินธิรสุภะธรรมอารมณ์เรว่าธาตุขันธ์นยะทั้งหมดที่มันอยู่นยกขึ้นขึมาเพื่อให้มลังไม่มีเลยเพราะใจไม่มีกําลังเพราะนั้นที่เราทําสมาธิเพื่อให้มีกําลังใครบอกสมาธิไม่สําคัญเพราะนั่งเราก็วตาเราคิดเราเองจินตนาการเองมันคิดได้แต่สําเร็จหรือไม่อเรื่องหนึ่งทุกอย่างมันไม่ได้แค่สําเร็จด้วยความคิด มันต้องความคิดกับพูดการทำต้องสอดคล้องกันต้องสามัคคีกันคือกายวาจาใจต้องสามัคคีกันถึงจะสําเร็จงานนั้นถึงจะสําเร็จงานของใจก็เช่นเดียวกันแต่เราไม่สามัคคีกันไม่มีทางหากขันยตระหน่ายคนละทิศคนละทางไม่เป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันเป็นกระเกลียวเป็นเชือกเดียวกันผูกมัดมันอยู่นิ่งอยู่กับที่คือใจมันนิ่งใจไมันสงบ จะไม่มีทางรับรู้ข้างนอกได้เลยเหมือนเวลานี้เราอยู่กันสี่สิบห้าสิบท่าต่างคนต่างกลุ่มจะไม่รู้เรื่องเลยมีความสงบตอนนี้เราฟังคนเดียวนี่คือเอกะเสียงใดเสียงหนอันใดอันหนึ่งประรู้จิตมันจะจำง่ายเนี่ยเหมือนกันจิตของเราเนี่ยเหมือนกันถ้ายังไม่เป็นสมาธิยังไม่มีเอกะอัตารมณ์คืออารมณ์ันเดียวอะไรอันหนึ่งติด แต่ไปคิดเปปรุงไปแต่งมาเองไม่มีทางนันมีกําลังมีพลังเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะเป็นมันจะรู้นี่คือวาจารู้พูดไป่ได้พูดเราเองจาย์นั้นก็จะพูดชันจะจ้งนีงอย่างนี้ยอ่าไปคิดเราเองแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิจิตยังไม่สงบมันไม่ ม, ม, มีทางจิละตอนปล่อยวางใจมันก็ ไ, ได้มันก็ได้แค่คิดจิตตดำนี่เป็น ญ, ญาในเรื่องการคิดในระดับหนึ่งเกิดปัญญาได้ในระดับหนึ่ง เพราะนั้นปัญยามันจะเกิดได้ต้องมาดูธาตุสีข่ขันห้าคือธาตุขนัอนอัตตะนะของตัวเราเองอะนี่ให้มีนาระน้อยลงให้เข้าใจธาตุที่มีอยู่ทั้งหมดให้แจ้งแจ้งธาตาาธาุคืออะไรขันธ์คืออะไรให้เข้าใจรูปรรมตาหน้าที่ของมันมันคุณนิโทษอย่างไรถึงจะละทอนปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางโดยทา ง, ทางเราก็ อ, อยู่กันอย่างนี้ เราก็อยู่กับธาตุนอนาตตนะมาตลอดชีวิตเท่านั้นยังไม่พอตกเป็นธาตเป็นผู้รับใช้เราตกเป็นเมียล่างเราไม่เคยเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามตลอดตามต้อยต้อยตลอ ด, ลอ ด, ลอ ด, ลอดไม่เคยเป็นผู้นำเลยไม่ได้เคยได้หาข้ามไม่เคยบอกไม่เคยทำาม่เคกล้าอย่านะนั่นนี่นไม่เลยนะเพราะว่าเราจิตเราไม่ได้เป็นผู้นำ จะเราเป็นผู้ตามตลอดธุราคิจตามสิ่ ง, งนี้ตลอดแต่ตามทันั้มไม่กันไม่มีทันเทคโนโลยีเราย่าตามทันสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นถือว่าเร็วที่สุดเช่นโทรศัพท์ไรสารพัดแสง ท, ที่ว่เร็วกว่าคนเดินพูดอย่างง่ายก็ยังช้า ก, กว่าจิตโทรศัพท์กดที่เดียวถึงอเมริกาถึงยุโรปแต่มันก็ยังช้า ก, กว่าจิตเห็นไหมจิตที่ไม่ใช่ธรรมดาจริง จิตเป็นเรื่องมหาศักสิทธ์เราฝึกจิต อ, อันนี้บ่อยๆให้เข้าใจถึงจิตจิตแท้จริงมันจะมหาศัากดิ์สิทธ์มากๆไม่ใช่จักธรรมดาพลังที่อยู่รอบตัวเราใกล้ตัวเราในตัวเรามันมีพลังมหาศาลอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ท่าบอกว่าจิตมันเป็นพลังงานพลังงานก็ไม่ได้บอกวิญญาณเราคพลังงานคำเกิดพลังงา น, งานไม่นั้น เราทั้งหลายก็ขอให้ระมัดระวังกํากับดูแลระวังจิตของตัวเองอย่าให้มันตกต่ําไปอยู่ในที่ต่ำอย่าให้มันต่ำกว่าเก่าใ้มนอย่างน้อยอยู่ในระดับเดิมก็อย่างดีแต่ถ้าต่ำไปกว่านี้ลําบากถ้าจิตมันต่ำไปมันจะไปที่ลําบากไปที่ยากไปเนี้ลําบากขออย่าสระดับอันนี้อย่างน้อยก็คนละกลับมาอีกทีก็เป็นคนแต่ถ้าเป็นคนดีที่สุด เป็นอย่างอื่นมันก็ได้แค่นั้นแค่ไปเสวยทำอะไรไม่ได้ไม่สมัตจะมีสติปัญญามังพุทิภาน ย, ย, ยิ่งยากยกเว้นพระพุทธเจ้ามาปกรเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่พุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกพุธทธันดาห น, นองมีพระองค์เดียวสี่ซาห้าพันปีมีครั้งหนึ่งแล้วจะรอไ้แในก่อนนั้นเราเป็นอะไรมาสารพัดทาไงมันก็ตกต่าไปเรื่อย มันก็ไปรอมันต้องไปหวังทําตัวเองอย่างน้อยที่เรให้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์พุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามศีลสวาธิปัญญาอันนี้ on ทางขี่เราอยู่ข้างหน้าที่มันยาวไกลยามองไม่ออกนึกไม่ออกมันก็จะสั้นรองน้อยลงขอให้เดินเถอะขอปฏิบัติมันได้แน่นอนมันมีมันเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยที่สุดก็คือ o นทางก็จะสั้นรองก็ยังดีดีกว่าไม่เดินเลย อยู่กับที่ยังไม่พอไปก้าวถอยหลังแทนที่ไปข้างหน้าตามถอยหลังเข้าฟองอันนี้นจริงลําบากนะครับเองเมื่อเรารู้แล้วเออมันมาถูกทางแล้ววาจานท์ท่านมาถูกทางแล้วพุทธจ้าทิชี้นําเราถูกทางแล้วอย่าไปถอยหลังเข้าฟองอย่างน้อก็อยู่ที่เดิมก็ยังดีแต่ให้ดีก็คือก้าวไปข้างหน้าคืบสอบวาก็ยังดี ดีกวอยู่กับที่กับทางเพราะฉะนั้นทานศีลสาวนานถ้าเราปฏิบัติแล้วมันคืบมันก้าวไปข้างหน้าอย่านแน่นอนไม่มีถอยหลังถ้าอย่างนั้นครูเจ้าเราก็จัด เ, เราผิดแล้เราเพราะครูที่เจ้าพระธารมพระริยสองเราต้องเชื่อมันถ้าใจไม่เชื่อมันมันไม่มีกําลังใจที่จะทาอะไรบอกโอ้ทำบุญตั้งนานนั่งแต่ไม่หีหยนได้อะไรเลยอ้าวถู ด, ดปราวะตัวเองไปกดตัวเองมันต่ำลงไปอีกเนี่ย พูดง่ายๆคือไม่ได้สร้างกำลังใจกับตัวเองเลยตอนนั้นยังไปพอทําให้ตัวเองหมดกําลังใจครับเองมันไม่ใช่ทางเพราะนั้นครูบาอาจารย์ก็คอยให้กําลังใจกับพวกเราทั้งหลายที่มอยู่ซึ่งครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบติเจ้าอบอุโสได้หลายรูปหลายตันก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเต็มหมดไปหายไปหมดไปให้ไปแล้วเราจะไปเพิ่งตครถึง ใครไม่ได้เลยต้องพยายามสร้างที่พึ่งกับนเองหาที่เองถ้ามัน เ, ย, เยอะถ้ามันทีๆขยันเรื่อยอเริ่มไม่ใคร่สะดวกละวัฒ น, นก็เดี๋ยจะเสียนจะแทรกเข้ามาวันนี้ก็คุณจะต้องฝากสั้นๆเอาไว้เพียงเท่นี้ก่อนเพื่อให้การรบวนจนที่เหลือกลับบ้านช่องห้องหูหรือก็ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็แผ่เมตตาก่อน และก็เพียรบตราสารประจันทั้งหลายบุญกุศลที่เราทำนี้ให้เต็มใจสารประจั์ทั้งหลายเราก็จะได้เพิ่มบุญเพิ่มเมตได้เม็ตมากขึ้นการสร้างเมตดีดวกว่าสร้างศัตรูเป็นอย่างไรแล้วก็ฝากเราทั้งหลายทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราจะเท้อจะถอยต้องหันทลายใจตัวเอง มันกลัวาจแาล้วคอยให้กำลังใจก็เป็นกำลังใจให้แกผู้เราสมัควันนี้ก็ขอฝากสันส้นๆเอาไว้เพียงเท่านี้ฝากก็ไม่ใช่เรื่อก